วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ไม่มีรถอันใดในโลกนี้ที่จะให้ความสุขได้ยิ่งกว่ารถแห่งธรร ม, มการจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้ก็สามารถสัมผัสได้สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็คือการสัมผัสรถแห่งธรรมจากการฟังเทศฟังธรรมจากการได้ศึกษาได้อ่าน พอทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อา่านได้ฟังได้เรียนรู้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาขั้นที่สองของการได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็คือการสัมผัสรสแห่งธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไร ก็นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าขั้นที่สก็คือยอดแห่งธรรมที่เกิดจากการได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุพระ ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระนิพพานตามลำดับนี่คือรถแห่งธรรมที่ผู้ที่เห็นว่าไม่มีรถอันใดในโลกนี้จะดีเท่ากับรถแห่งธรรมจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้ เบื้องต้นก็ต้องสัมผัสรสแห่งธรรมที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก่อนการที่จะได้รับสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็จําเป็นที่จะต้องฟังด้วยอาการที่สงบ สงบกายสงบวาจาและสงบใจความสงบกายก็คือควรที่จะนั่งเฉยๆไม่ควรที่จะทำอะไรในขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่เพราะถ้าไปทำอะไรแล้วการฟังธรรมก็จะไม่ต่อเนื่องเพราะจะต้องแบ่งความสนใจ ให้กับการกระทาต่างๆก็จะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างเต็มเต็มที่ทมที่จะเข้าไปสู่ใจก็จะไม่สามารถเข้าไปได้เต็มที่ถ้าต้องการให้ทมเข้าสู่ใจได้อย่างเต็มที่จึงไม่ควรที่จะทำอะไรในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ ควรสงบทางวาจาคือไม่ควรพูดคุยกันสนทนากันเช่นฟังไปแล้วมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาก็รับเสียงโทรศัพท์คุยกันทางโทรศัพท์ขณะที่คุยกันนั้นก็จะไม่ได้สัมผัสกับธรรมที่เข้ามาทางหูต่อไปข้อมูอแต่ให้ความสําคัญกับการสนทนา ทางเสียงโทรศัพท์ทำก็เลยไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้อันนี้คือความสงบวาจาสงบที่สามก็เรียกว่าสงบสงบใจคือใจต้องนิ่งเฉยไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆไม่คิดไปในอดีตไม่ไปคิดไปในอนาคต ไม่ไปคิดถึงที่นั่นที่นี่ถึงคนนั้นคนนี้ให้ใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วก็เข้ามาสู่ใจแล้วถ้าฟังแล้วสามารถพิจารณาเกิดความเข้าใจได้<ม>ก็จะได้ผลได้ลดแห่งธรรม คือได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าเข้าใจแล้วก็จะได้ยินธรรมชนิดต่างๆทั้งธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่รู้มาก่อนธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้รู้มาก่อนแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้ กำจัดความลังเลสงสัยต่างๆในเรื่องของธรรมได้กำจัดความลังเลสงสัยเช่นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่นิพพานมีจริงหรือไม่ทำบุญแล้วไปสวรรค์จริงหรือไม่ทำบาปแล้วต้องไปนะไปนรกไปอบายจริงหรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะสามารถไปนิพพานได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ความสงสัยเหล่า น, นี้ก็จะสามารถบรรเทาหรือหายไปได้จากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมบ่อยๆจะทำให้ มีศรัทธาเต็มร้อยพร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเรื่อการบรรลุทำขั้นต่างๆตามลำดับต่อไปถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ใช้เสียงเป็นเครื่องกล่อมใจฟังไปอย่างที่ ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แม้แต่คำบริกรรมพุทธโธก็ไม่ควรใช้ถ้าเราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกำกับใจไม่ต้องต้องไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกเพียงแต่ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนในขณะที่ฟังธรรมใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้ อย่าไปใช้คำบริกรรมหรือการดูลมหายใจในขณะที่ฟังธรรมเพราะมันจะชนกันให้เลือกเอาเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าฟังธรรมเพื่อความสงบแต่ถ้าอยากจะใช้พุโทโธหรืออยากจะใช้ดูลมหายใจเข้าออกก็ควรจะปิดเสียงธรรมหรือควรฟังธรรมในช่วงอื่น อย่าทาพร้อมๆกันอย่าใช้พุทโธควบคู่กับการฟังธรรมหรือใช้การดูลมหายใจออกไปควบคู่กับการฟังธรรมให้ใช้เสียงธรรมไปแทนจังง่ายกว่าจะสบายกว่าเพียงแต่นั่งเฉยๆให้มีสติกายสงบวาจาสงบใจสงบด้วยสติ สามารถรับรู้เสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสได้ตลอดเวลาอย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจมีเครื่องเกาะมีอารมณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมคือความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงหรือถ้าฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิก็จะได้แสงสว่างแห่งธรรมที่เป็นแสงสว่างที่เหนือกว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์แสงสว่างของพระอาทิตย์ยังไม่สามารถสอดส่องทะลุสิ่งต่างๆได้แต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้ สามารถแทงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดยังเป็น <c oughs> สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการได้ศึกษาพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็จะได้สัมผัสธรรมลดแห่งธรรมในระดับแรกระดับที่เกิดจากการได้ศึกษา เขาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ไม่รู้มาก่อนเช่นเรื่องราวว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขา น้ำทะเลน้ำลำคองมนุษย์รุสสัตว์ในราชาสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีตัวตนทั้งสิ้นเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาด้วยปัจจัยปัจจัยที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาก็คือธาตุทั้งหกกอได้แก่ธาตุดิน ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้และอวกาศธาตุนี่คือส่วนประกอบที่ทำให้มีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวต่างๆที่อยู่บนทางฟ้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของธาตุที่เกิดมาจากธาตุอาจจะมีธาตุเดียวๆตามลำพังหรืออาจจะเป็นการรวมตัวของธาตุหลายๆธาตุด้วยกันเช่นธาธาตุที่อยู่เดียวๆ เ, เป็นเดียวๆก็คือเช่นน้ำในทะเลน้ำในลำคลองนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นธาตุน้ำธาตุดินก็ดินที่เรา นั่งทับอยู่นี่ที่เป็นของแข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราใช้หายใจเข้าออกนี้ก็เป็นธาตุลมนลมพัด ล, ลมพายุลมอะไรต่างๆนี้ครับเป็นปรากฏการณ์ของธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนที่ได้รับจากแต่งความร้อนต่างๆเช่น ได้รับความร้อนจากแสงพระอาทิตย์ได้รับความร้อนจากเครื่องผลิตความร้อนเช่นกองไฟหน้าหนาวชาวบ้านที่อยู่บนดอยก็มักจะก่อไฟก่อไฟขึ้นมาเพื่อให้เกิดความร้อนขึ้นมาอันนั้นก็คือท่าไฟ ส่วนร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้ก็มีหลายหลายธาตุมารวมกันร่างกายก็ต้องมีธาตุสี่ธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่จะมารวมตอกันเพื่อมาผลิตอาการสามสิบสองเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ก่ขึ้นมาได้จะมีจะจะแรเติบโตได้ก็ต้องอาศาัยธาตุสี่นี้คอยเข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆเช่นเราทุกวันนี้เราคอยเติมธาตุสี่กันอยู่เรื่อยๆส่วนที่เติมอยู่บ่อยมากที่สุดก็คือลมหายใจธาตุลมเราต้องเอาธาตุลมใหม่เข้าไปเปลี่ยนธาตุลมเก่า เพราะธาตุลมเก่านี้เริ่มเป็นพิษต่อร่างกายก็เลยต้องขับทายธาตุลมเก่าออกไปเพื่อเอาธาตุลมใหม่เข้ามาถ้าขาดธาตุลมพอหยุดหายใจเมื่อไหร่การทำงานของร่างกายก็ต้องหยุดชะงักไปทันทีนอกจากธาตุลมที่เราต้องเอาเข้าอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ธาตุที่สองที่เราเอาเข้าอยู่เรื่อยๆก็คือธาตุน้ำธาตุน้ําเนี่ยต้องคอยดื่มน้ํากันอยู่เรื่อยๆดื่นไปพักแล้วเดี๋ยวก็เกิดอาการคอแห้งหิวน้ําขึ้นมาก็ต้องเติมธาตุน้ําธาตุไฟเราก็ต้องเอาเข้าอยู่เรื่อยๆ อ, อาศัยอุณหภูมิอาศัยความร้อนของแสงแดดอาศัยการใช้เสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มเพื่อ หุ้มหอความร้อนคือธาตุไฟให้อยู่ในร่างกายในปริมาณที่สมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้าน้อยถ้ามากเกินไปถ้าธาตุไฟร้อนเกินไปก็ต้องใช้การระบายใช้พัดลมใช้การอาบน้ำอาบท่าเลื้อวิธีใดก็ตามที่จะลดอุณหภูมิความร้อนของร่างกายลง ถ้าความร้อนในร่างกายต่ำก็ต้องเพิ่มด้วยการใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หนาที่สามารถรักษาอุณหภูมิไม่ให้ความร้อนไม่ให้เล็ดลอดออกจากร่างกายไปแล้วก็ธาตุดินที่เราก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็คือเวลาเรารับประทานอาหาร อาหานที่เรารับประทานนี้ส่วนใหญ่ก็ทำมาจากธาตุดินข้าวนี่ก็ปลูกมาจากดินเป็นดินดีๆนี่เองเพียงแต่แปลงจากดินมากลายเป็นเมล็ดข้าวผักก็แปลงจากดินมาเป็นเป็นผักผลไม้ต่างๆอะไรต่างๆนี้ก็ล้วนจะมาจากธาตุธาตุทั้งนั้น ผลไม้ข้าวนี้ก็ต้องมีทั้งธาตุดินธาต้น้ําธาตุลมธาตุไฟต้นข้าวถึงจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ออกรวงออกข้าวมาได้ผลไม้ก็ต้องมีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟถึงจะมีต้นไม้มีผลไม้ต่างๆออกมาได้นี่แหละคือเรื่องของโลกที่เราอยู่กันนี้ที่พระเจ้าทรงตัดสั้ทรงค้นพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ปราศจากตัวตนแล้วตัวตนมาจากที่ไหนตัวตนก็มาจากความหลงของธาตุรู้นี่เองธารู้ไปหลงคิดว่าตนเองเป็นตัวตน ต, ต, ตัวเองเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ทำอะไรต่างๆได้ความจริงธารู้ก็เพียงแต่ธรรมชาติที่สามารถรับรู้อะไรต่างๆได้ สามารถคิดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆได้สามารถที่จะไปครอบครองร่างกายที่เป็นธาตุสีได้แล้วก็สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความคิดของตนได้แต่ไม่มีตัวตนที่มาสั่งให้คิดมาสั่งให้ร้มารับรู้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มี ความสามารถในตัวของเขาถ้ารู้ก็มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆที่ไปสัมผัสผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถะพระชนิดต่างๆซึ่งสิ่งที่สัมผัสก็เป็นภาพทางนั้นรูปที่เห็นด้วยตาก็เป็นภาพรูปต้นไม้รูป คนรูปอะไรต่างๆก็รุ่นทามาจากธาตุแต่เนื่องจากขาดความขาดปัญญาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ก็เลยไปสมมุติว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาสมมุติว่าผู้รู้นี้เป็นเราแล้วสิ่งที่ไปรับรู้นั้นเป็นเขามันมีเป็ น, ม, ปนมีเรามีเขาขึ้นมาแล้วเวลาได้อะไรมาก็ จะยึดจะติดว่าเป็นตัวเราของเรา mm hmm. เช่นเวลาที่ธาตุรู้มาได้ร่างกาย mm hmm. เวลาที่ร่างกายนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่ธาตุรู้นี้ก็ส่งกระแสมาเชื่อมต่อกับธาตุรู้กับกับร่างกายที่ยังที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวอยู่ในท้องแม่ mm hmm. แล้วก็ ยึดร่างกายอันนั้นว่าเป็นตัวเป็นตัวเราของเราขึ้นมาความจริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นธาตุรู้เป็นตัวเป็นตัวรู้ตัวคิดไปแล้วตัวรู้ตัวคิดก็สามารถสั่งให้ ร่างกายทําอะไรต่างๆตามที่ต้องการได้ก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นธาตุรู้ไปแล้วพอเป็นพอไปคิดว่าเป็นธาตุรู้ก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ธาตุทั้งสี่คือร่างกายที่มีอาการสามสิบสองนี้อยู่กับธาตุรู้ไปนานๆอยู่ไปไม่มีวันพัดภาคจากกัน แต่ธรรมชาติของธาตุที่มารวมตัวกันก็เป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมารวมตัวกันเฉพาะเฉพาะกิมีเหตุมีปัจจัยทำให้ธาตุทั้งสี่มารวมตัวกันมาสร้างอาการสรายสามสอง 32, มันก็มารวมตัวกันแต่หลังจากที่มันได้รวมตัวกันได้เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงความเจริญชั้นสูงสุดแล้วเต็มที่แล้วมันไม่สามารถเจริญไปได้มากไปกว่า น, นั้นแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงไปร่างกายจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนชราคนแก่คนเจ็บคนตายตามลำดับไปพอร่างกาย เป็นในสภาพที่ธาตุรู้คือใจไม่อยากจะให้เป็นใจก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมามปัญหาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ธาตุอะไรทั้งสิ้นอยู่ที่ธาตุรู้ตัวเดียวคือใจธาตุรู้ที่ถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตน เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับธาตุรู้ให้กับใจก็เลยไปครอบครองไปไปยึดไปติดไปเอามาให้ความสุขแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ได้ไปยึดมาไปครอบครองมาก็าล้วนเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามีการรวมตัวกันขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าสังขารสังขารคือสิ่งปรุงเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายสังขารทั้งหลายนี้ก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจะสัพเพสังขาราอนิจจะเมื่อมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็จะเป็นนะสัพเพสังขาราทุกขามันก็จะให้ความทุกข์กับผู้ที่ไปครอบครอง ไปอาศัยไปยึดเอามาให้ความสุขกับตนเพราะว่าความสุขที่ได้จากสังขารมันก็เป็นความสุขชื่อข่าวเวลาสังขารเสื่อมลงเวลาสังขารดับลงความสุขที่ได้จากสังขารต่างๆก็จะหมดไปและสิ่งที่ได้มาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเสียใจ ความทุกข์ใจเสียใจนี้ก็เกิดจากความอยากความยึดความติดอุปทานอยากจะให้สังขารทั้งหลายที่ได้มาเป็นสมบัติมาครอบครองนี้ให้อยู่กับตนไปเรื่อยๆแต่พอไม่สามารถอยู่กับตนได้พอถึงเวลาที่จะต้องพัดพากจากกาันใจที่มีถ้ารู้ที่มายึดติดกับสังขารต่างๆ ก็เลยเกิดความเศร้าใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้รู้จักวิธีแก้รู้จักวิธีบาบัดมีคนคนเดียวเท่านั้นที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถมีปัญญาที่สามารถมองทะลุไปให้เห็นถึงต้นเหตุของความทุกข์ใจ ว่าเกิดจากอะไรแล้วจะกำจัดความทุกข์ใจได้ด้วยวิธีใดมีคนคนเดียวเท่านั้นที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งบุคคลนั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปฏิเจกขพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากตัดสั้แล้วก็ทรงแสดงธรรมทรงนำเอาความรู้ที่ได้ตัดสั้นนี้มาสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังหลงติดกับเรื่องของอัตตาตัวตนอยู่ให้เห็นว่าให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นของตนไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่สามารถยึดครอบครองให้อยู่กับตนไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนิจตา นี่คือพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีถ้ามีการเผยแผ่สั่งสอนก็จะมีผู้ศึกษาเมื่อมีผู้ศึกษาก็จะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้ก็จะมีผู้ที่จะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ของพระพุทธเจ้าให้ให้แก่ชนนุ่นหนังต่อไปได้ เพราะว่าแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระสาวกทั้งหลายก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้ถึงอายุแปดสิบปีสังขารร่างกายของพระพุทเจ้าก็สิ้นสุดลงแต่ก็มีพระอาหารหันตสาวกที่มารับช่วงต่อจากพระพุทธเจ้านำเอาความรู้อันเปรนเสนี้ มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยากผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะกำจัดความทุกข์ใจของตนให้หมดสิ้นไปจากใจ mm hmm. ก็เลยมีพระพุทธศาสนานปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ mm hmm. จนถึงปัจจุบันนี้ mm hmm. เพราะว่ามีพระรันตนตรัยคอยทาหน้าที่เผยแพรแ่ธรรมะคําสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้แก่บุคคลที่สนใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจส่วนพระพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าพระปฏิเจ้าพุทธเจ้านี้ท่านก็ตัดสรู้รู้ว่าเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรและรู้วิธีที่จะหยุดความทุกข์ที่มีในใจแต่หลังจากที่ท่านตัดสัลุเป็นพระพุทธเจ้าแนละ้ว ท่านก็ไม่มีความปรารถนาที่จะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ท่านก็จะเป็นเป็นผู้รู้เพียงผู้เดียวเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงผู้เดียวหลังจากที่ท่านตายไปก็ไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ทาหน้าที่ต่อไป มีมีพระพุทธเจ้าสองแบบด้วยกันท่านคงเคยได้ยินได้ฟังมีพระพุทธเจ้าที่เป็นเรื่าออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสั้โดยชอบหลังจากตัดสั้แล้วก็นําเอาความรู้นี้มาเผยแต่สั่งสอนให้แก่สัตวโลกให้ได้หลุดพ้นตาม <Yes. S 1> ก็จะมีก็จะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตามมาเพราะจะมีพระรัตนตรั มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยทําหน้าที่สั่งสอนวิธีการดับความทุกข์ต่างๆให้แก่ผู้ที่สนใจแต่ถ้าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็ไม่มีความขวนขวายอยู่เฉยๆดีกว่าสบายกว่าไม่เหนื่อยพระนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้คือเจ้าชายสิทธัตถานี้ ตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆก็มีความรู้สึกแบบนั้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นของที่ยากที่จะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ว่าความทุกข์ใจของตอนนั้นเกิดจากอะไรและวิธีการจะดับความทุกข์ใจของตอนนั้นต้องดับด้วยอะไรด้วยวิธีใดจึงเบื้องต้นก็มีความไม่ขวนขวายไม่อยากจะสอน แต่หลังจากที่ได้รับการอราธนาจากท้ามาหาพรหมให้โปรดได้เมตตาสงเคราะห์กับสัตว์โลกด้วยการให้พิจารณาให้รอบครอบอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็ทรงเห็นว่ามีสัตว์โลกบางกลุ่มที่มีความสนใจมีความปรารถนาที่อยากจะรู้วิธีดับความทุกข์ของใจว่าดับได้อย่างไรบ้าง ก็เลยทรงแยกแยะไว้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันที่เรียกว่าบัวสี่เหล่าก็เห็นว่ามีบัวอยู่สามเหล่าที่อยู่ในฐานะที่จะสามารถรับความรู้รับประโยชน์จากคำสั่งคำสอนสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส่วนกลุ่มที่สี่ที่เรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในโคลตนตมเนี้เป็นพวกบัวที่อยู่ในโคลนตมนี้เป็นพวกที่ โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําให้เป็นบัวเหนือน้ําขึ้นมาได้นี้มีโอกาสน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้ก็ไม่โปรดไม่ไม่สั่งไม่สอนเพราะว่าขาดไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีความจัดทาในวิธีการดับทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้มาพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยการหาความสุข จากโลกก็ทำทั้งสี่ความสุขจากลาบยศสรรเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดธพาชนิดต่างๆที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแบบความทุกข์ได้เป็นพักๆเวลาได้เงิ น, นงได้ทองได้ลาบยศสรรเส ร, ริญได้สัมผัสความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความสุขกัน แต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้เพียงชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วความทุกข์ทางใจก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่เพราะว่าความทุกข์ทางใจนี้ก็เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเพราะคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตัวเราของเราถ้าร่างกายตายเราจะตายไปกับร่างกาย<ม>ก็จะไม่อยากให้ร่างกาย ไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บเราเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาและการใช้โลกกระทำทั้งสี่ก็ไม่สามารถมาระงับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราให้ได้เงินทองมากี่ร้อยล้านกี่พันล้านความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็ยังอยู่ในใจต่อไป ต่อให้ได้ตำแหน่งยศต่างๆสูงส่งขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถมาล้า ง, งความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก<ม>็โดยสรุปก็คือต่อให้เจริญทางราบยสสศสารสญสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามความเจริญทางราบยสสศสารสรสุกนี้จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้เลย<ม>แต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาผู้ที่ไม่คิดนี้ ก็จะก็จะคิดว่าต้องใช้โล ก, กธรรมทั้งสี่เป็นการดับความทุกข์ของตนก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ว่าความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากอะไรและจะดับความทุกข์ทางใจได้อย่างไรตรงนี้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสอนไปก็เสียเวลาเปล่า ก็ไม่สอนทรงมุ่งไปสอนพวกที่เป็นบัวสามเหล่าพวกบัวที่สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาสู่เป็นบัวเหนือน้ําได้ก็สอนไปตามลําดับความสามารถของเขาถ้ายังอยู่ในระดับปฐม อ, อนุบาลอยู่ก็สอนทำที่เหมาะสมต่อการต่อต่อผู้ปฏิบัติธรรมะที่จะเป็นเครื่องดับความทุกข์นี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกัน ระดับ อ, อนุบาลปรถมระดับมัธยมแนะระดับอุดมศึกษา asure. ก็มีแบ่งเป็นขั้นๆเพราะเป็นความยากง่ายในการศึกษาในการปฏิบัติเหมือนกับการไปเรียนหนังสือทางโลกนี้ก็มีแบ่งเป็นขั้นง่ายๆขั้นยากขึ้นไปตามลําดับเวลาเริ่มเรียนใหม่ๆ ใ, ในอนุบาลก็สอนวิชา ง, ง่ายๆ พอผู้ที่มาเรียนนี้ความสามารถที่จะเรียนรู้นี้ยังมีน้อยก็เลยต้องสอนแบบง่ายๆไปก่อนสอนให้นับหนึ่งสองสามองให้ท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปจากการนับหนึ่งสองสามให้มาบวกเลขลบเลขกันเนื้อมาคูณมาหารเลขกันหนังสือกอไก่ขอไข่ก็มาหัดสะกดกัน ให้ออกเป็นเสียงต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันทางธรรมก็เช่นเดียวกันทางธรรมนี้ก็มีเป้าหมายที่จะสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะละความทุกข์ต่างๆนี้ให้ทำจากส่วนที่ง่ายขึ้นไปก่อนไปสู่ส่วนที่ยากตามลำดับต่อไปขั้นที่ง่ายขั้นแรกก็คือขั้นทานกับขั้นศีลห้าเบื mm ้ hmm. องต้นนี้ ผู้ที่จะปฏิบัติทำเพื่อละความอยากต่างๆนี้ต้องปฏิบัติขั้นทานกับขั้นศีลห้าให้ได้ก่อนศีลห้าก็จะห้ามความอยากที่จะไปทำบาปทำกรรมต่อผู้อื่นเพราะว่ามีความโลภมีความอยากที่จะหาความสุขมาดับความทุกข์ของตนเอง ตอนนี้ก็มีความสุขสองแบบค ว, ความทุกข์สองแบบที่ต้องคอยดับความทุกข์ที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายร่างกายนี้ต้องมีการเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่อยู่เรื่อยๆก็จำเป็นที่จะต้องไปหาปัจจัยสี่การหาปัจจัยสี่นี้ก็หาได้หลายวิธีหาโดยวิธีทำบาปก็มีหาโดยวิธีไม่ทำบาปก็มี ถ้าไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตของตนด้วยการทำบาปนี้มันก็ได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าจะได้ความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการดับความทุกข์เราก็ต้องอาหาปัจจัยสี่มาโดยวิธีไม่ทาบาปเราก็ต้องมีการรักษาศีลห้ากันนั่นเองถ้าเรามีศีลห้าเราก็จะไม่ไปทำบาป เราจะไม่ทำอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปทำอาชีพที่สนับสนุนพให้ผู้อนได้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็ต้องมีการราักษาศีลห้าเพื่อสกัดความอยากต่างๆเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนแล้วก็ความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหาความสุขจาก โลกธรรมำนีอ่อยากจะพราะคิดว่าถ้ามีลาบยศสารเสริญมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วจะบําบัดความทุกข์ความไม่สบายใจของตนได้<ม>ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตก็มีหรือไม่ทุจริตก็มีมถ้าหาโดยวิธีทุจริตก็ไม่ได้ไปกําจัดความทุกข์กลับไปเพิ่มความทุกข์ให้ความทุกข์ที่เกิดจากการทําบา ก็เลยต้องไม่ให้หาโลกกระมด้วยวิธีการทำบาปถ้าอยากจะได้โลกกระทมาบำบัดความทุกข์ทางใจและทางร่างกายก็ให้หาโดยวิธีที่สุดจริตคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดเปิบดบทมดเท็ดไม่ดื่มของบุญเมาต่างๆอันนี้ป้องกัน เราต้องการดับความทุกข์ทางใจเราไม่ต้องการเพิ่มความทุกข์ทางใจการที่ไปหาโลกการทำหาลาภ ย, ยสสศสารสนุกมาเพื่อมาบำบัดความทุกข์ทางกายทางใ จ, งใจแต่ถ้าใช้วิธีการกระทำบาปมันไม่ได้บำบัดความทุกข์ให้น้อยลงมันกลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปฉะนั้นเบื้อ ง, งต้นนี้สําหรับขั้นอนุบาลนี้ต้องรักษาศี่ห้าให้ได้ก่อนจะทําอะไรก็ตาม ่าเลี้ยงดูร่างกายจะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรไปก็ให้อย่าหามาด้วยการไปทำพูดให้เสียหายเดือดร้อนอย่าไปเบียดเบียนพูดอย่าไปทำร้ายพูดต้องมีศีลห้าเป็นตัวคอยป้องกันสกัดความอยากตัวนี้แล้วก็ถ้าอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทอง เนทองคิดว่าได้มาแล้วต้องเอาไปซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้มาแล้วจะให้ความสุขแต่สิ่งที่อยากจะได้นี้ส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจโดยความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเช่นการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆของหรูหรา ของเหล่านี้แม้จะให้ความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาและมันจะทำให้เกิดความยึดติดความอยากที่จะหาความสุขหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆและเวลาใดที่เงินทองไม่พอใช้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่สามารถเอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้ได้วิธีที่จะให้เราใช้เงินทองซื้อความสุขที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาไปทําบุญทําทานแทนเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวกันเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทําบุญทําทานกัน <да ดีกว่าเพราะเวลาทําบุญทําทานนี้มันจะทําสกัดความอยากไปเที่ยวได้มันจะลดความอยากไปเที่ยวได้ทําให้ความความอยากไปเที่ยวนี้น้อยลงไปความทุกข์ที่จะเกิดจาความอยากอยากไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปเรื่อย แล้วความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้อยู่อย่างมีความสุขให้มีกําลังที่จะต้านความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าทําทุนทําทานไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุข ไปหาความสุขจากการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปจนมันจะหมดไปแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเวลาที่ไม่ได้ไปเที่ยวก็รู้สึกเฉยๆเวลาที่ไม่ได้ไปซื้อของหรูหราของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยเพราะมีความสุขใจที่เกิดจากการทาบุญทาทานนี้ คอยหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เรื่อยๆอันนี้คือขั้นตอนแรกของการที่จะบำบัดความทุกข์ที่เกิดในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆให้มันเบาบางลงไปด้วยการรักษาศีลห้าและด้วยการทำบุญทำทา น, น, นถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะเริ่มมี ความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วจะทําให้เราอยากจะปฏิบัติขั้นที่สูงต่อไปพอเราเรียนจบชั้นอนุบาลชั้นปฐมแล้วทีนี้เราก็อยากจะขึ้นไปสู่ชั้นมัธยมเราก็ไปสมัครเรียนชั้นมัธยมการจะเรียนชั้นมัธยมนี้เราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีล ห้าให้เป็นศีลแปดเลแล้วก็ต้องใช้เวลาวันที่เราไม่ไปทํางานทําการวันที่เราไม่ต้องไปมีภาระกับอะไรให้เอาวันนั้นมาเป็นวันที่เราจะมาสร้างสร้างการภาวนาการภาวนาก็คือการอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในควาสมสงบเพราะถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในควาสมสงบได้ ก็จะสามารถระงับความอยากที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้ความอยากที่ยังไม่ได้ตายที่ยังที่ที่การรักษาสีลห้าหรือการทําบุญทาทานนี้ไม่สามารถระงับได้ก็ต้องอาศัยระงับด้วยการภาวนาที่เรียกว่าสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบ <c oughs> การที่จะทำใจให้สงบได้ <c oughs> ก็จำเป็นที่จะต้อง สกัดกั้นความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย <C> e <ars> ก็ต้องถือศีลแปดเพราะศีลแปดนี้มีไว้เพื่อสกัดกั้นความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนั่นเองศีนข้อสามจากกามเมมาก็เปลี่ยนเป็นศีลก็เป็นอ布拉มจริยากามเมนี้ยังอนุญาตให้เสพ็กรมกับคู่ครองของตนได้แต่ พอมาถือศีลแปด น, 8, นี้ศีลก็สามก็ให้เป็นอรรมจริยาคือเป็นศีลพรหมจันทร์คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่เสพกามกับใครเพราะว่าเป็นความสุขที่เป็นเหมือนยาเสพติดเป็นความสุขแบบชั่วคราวเสพแล้วก็ติดติดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาให้พยายามฝืนให้เลิกความนี้ ความอยากจะเสร็จเหล่านี้ด้วยการถือศีลแล้วก็จะได้เอาเวลาที่เรามาใช้ในการเสร็จกรมนี้มาฝึกจิตมาอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้ น, นี่ก็เกิดศีลข้อที่สามของศีลแปดต่างจากศีลห้าข้อที่หนึ่งที่สองเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกักทรัพย์เหมือนกันแต่ข้อที่สามนี้จากไม่ไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นการเม จากการมีไม่ประพฤติผิประเพณีมาเป็นอ布拉มจริยาให้ถือศีลพ ร, รมจันทร์พรมจันย์ก็คือพรหมพรหมไม่เสดกามพรหมเสดรู ป, ปรชาญารู ป, ปรชาญ์เราต้องการเปลี่ยนวิธีเสดความสุขที่อยาประสู่ความสุขที่ละเอียดก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกธรรมทั้งปวง นี่คือหน้าที่ของศินแปนอกจากสินข้อสามแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อสามมาเป็นบ ร, รมจริยาแล้วก็เพิ่มข้อหกให้ไม่ให้กินอาหารมากเกินไปไม่ให้กินตามความอยากให้กินตามความต้องการของร่างกายการกินอาหารตามความต้องการของร่างกายก็กินวันละหนึ่งครั้งก็พอหรือถ้ายังมีกำลัง สู้ความหิวความอยากไม่ได้ก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปให้กินได้เพียงครึ่งวันเท่านั้นเองหลังจากครึ่งวันแล้วก็ไม่ให้มาสนไม่ให้มายุ่งกับการก็รับประทานอาหารต่อไปเพราะถ้ากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้นี้กินแค่เที่ยงวันก็เหลือเฟือแนะล้วร่างกายอยู่ได้ไม่ตายอย่างแน่นอนบางท่านถ้ามีอินทรีย์ที่แก่ก็มีกําลังใจที่มาก ก็าจะกินเพียงมื้อเดียวนั่นเองเช่นพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชที่เป็นพระปฏิบัตินี้มักจะถือทุดงควัตคือฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อก็พอเพื่อจะได้ไม่มาเป็นอุบไม่มาเป็นนิวรันเป็นอุปสรรคจากการกินอาหารมากๆการกินอาหารมากเกินไปนี้จะทําให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนได้ง่ายและเกิดความเกลียดคันไม่อยากที่จะปฏิบัติ กินอาหารนิมแล้วก็หนังตาก็หย่อนหนังท้องก็ตึงหนังตาก็หย่อนก็อยากจะหลับอยากจะนอนกันมากกว่า ท, ที่อยากที่จะไปเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิกันเพื่อทำใจให้สงบก็เลยจาเป็น่าต้องถือศีลข้อหนี้รับทานอาหารพอประมาณพออยู่ได้ก็พออย่ารับประทานตามความอยากส่วนใหญ่ที่เรารับประทานอาหารกันนี้เราไม่ได้รับประทานเพื่อร่างกาย รับประทานเพื่อความอยากเดี๋ยวก็อยากนะก็กินได้ไปแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอยากขึ้นอยากกินขึ้นมหม่นะอยากดื่มนั่นดื่มนี่มีกินได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นอนะ่ะที่ไม่ได้กินแต่กลางดึกเวลาตื่นขึ้นมาก็ยังอดไม่ได้ที่จะไปเปิดตู้เย็นหาอะไรกินต่อยอันนี้มันกินด้วยความอยากไม่ได้กินเพื่อร่างกาย กินแบบนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะเป็นเสริมไปส่งเสริมความอยากให้มีกำลังมากขึ้นและเวลาที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้มันจะทำให้ใจทุกข์ทรมานทำให้ใจไม่สบายหงุดหงิดํำคาญใจไม่มีความสุขเหตนต้องคอยควบคุมการบริโภคอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายกินเหมือนกินยายานี่เราก็กินตามที่หมอสั่งหมอสั่งให้กินเวลา สครั้งแล้วก็กินตามตามที่หมอสัง่งกินครั้งละกี่เม็ดแล้วก็กินตามที่หมอสัง่งเพราะเรารู้ว่าถ้ากินมากเกินไปก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายได้อาหารก็เป็นเหมือนยาให้กินเหมือนยาแล้วจะได้ไม่มีมาเป็นอุปสรรคในการที่จะไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบแล้วก็ต้องมาถือศีลข้อเจ็ด สินข้อเจ็ดก็คือไม่ให้เราหาความสุขจากการดูการฟังมหรศสบพบันเทิงต่างๆยกเว้นในขณะที่เราถือสินแปเราก็ไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่เสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าพรต่างๆด้วยด้วยเครื่องสมอางต่างๆแต่งกายแบบเรียบง่ายอาบน้ำอาบท่าชำระให้ร่างกายสะอาดืีผ้าวีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วเราไม่ได้ไปโชว์ตัวเราที่ไหน เรารมักปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะอยู่กันตามลำพังอยู่ในสถานที่สงบสงัดจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสวยความงามทางร่างกายไปอวดโชว์ใคร<ม>เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเท็นการไปดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆนี้มาให้กับการอบรมจิตใจทาใจให้สงบหยุดความอยากให้ได้ แล้วก็ให้ถือศีลข้อที่แปดก็คือไม่ให้หลับนอนมากเกินไปวิธีที่จะไม่หลับนอนมากเกินไปก็คืออย่าไปหลับนอนบนเตียงที่เป็นเตียงที่สาํารานที่นั่งที่นอนที่สํำลานเพราะมันนุ่มมันสบายแล้วมันจะทําให้นอนมากให้นอนบนเตียงที่ไม่นุ่มไม่สบายไม่มีฟูกให้นอนกับเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆนอนกับพื้นก็ได้ แล้วก็ปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อก็พอถ้านอนแบบนี้แล้วร่างกายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วคือประมาณสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาจิตก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ทำจิตใจให้สงบนั่นเองดงนั้นเป้าหมายของศีลแปดนี้ก็มีไว้เพื่อต้อนให้ใจไปทาภารกิจคือการบาเพ็ญจิตตภาวนา สมถภาวนาทำจิตใจให้สงบรงับหยุดความอยากที่เป็นตัวคอยสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจด้วยการใช้สติเป็นผู้กากับผู้หยุดความอยากนั้นผู้ที่จะทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิให้จิตสงบได้จึงจาเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรก รถที่ไม่มีเบรกเวลาจะหยุดรถนี้ก็หยุดไม่ได้ขับไปแล้วเหยียบเบรคเบรคไม่ไม่มันใช้ไม่ได้รถมันก็จะวิ่งต่อไปกันใดใจก็เหมือนกันใจก็จะคิดอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนจนหลับไปนี้แทบจะไม่ได้มีเวลาใดที่หยุดคิดเลยไม่คิดถึงคนนั้นก็คิดถึงคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นก็คิดถึงเรื่องนี้มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดคิดเลย ยังไม่เคยพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเลยจึงไม่เห็นว่าเวลาที่หยุดความคิดนี้ความอยากมันก็ต้องหยุดไปด้วย<ฮ>เมื่อความอยากหยุดใจที่ร้อนจากความอยากก็จะกลายเป็นใจที่เย็นขึ้นมาเวลาที่ความอยากหยุดทํางาน<ฮ>ยึงจําเป็นที่จะต้องสร้างเบรกให้กับใจสร้างเบรกเพื่อมาหยุดความคิดต่างๆเบรกที่จะใช้ในการหยุดความคิดนี้เราก็เรียกว่าสตินี่ สติแปล ว, ว่าการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าอยู่ในปัจจุบันก็จะไม่ต้องคิดอะไรให้รู้เฉยๆเช mm hmm. ่นรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็ให้รู้อยู่เฉยๆอตอนนี้ร่างกายกําลังนั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งเดี๋ยวสักพักพอจะลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังยืนถ้าจะเดินก็รู้ว่ากําลังเดิน ถ้าจะไปทํากิจอะไรก็ให้อยู่อยู่ไปกับการกระทําต่างๆของร่างกายถ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายก็ไม่ต้องใช้ก็ต้องไม่ไม่ต้องคิดอะไรเพราะส่วนให ญ, ญ, ญ, ญ, ญ่เราจะไปคิดเรื่องอื่นกันเวลาเราทําอะไรเรามักจะไปคิดถึงคน น, น, นั้นคน น, นีน้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราบังคับให้มันอยู่กับการกระทําของร่างกายตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นั้นคนนี้ได้ อันนี้วิธีการสกัดด้วยหยุดความคิดการสร้างสติขึ้นมาด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องเป็นที่ตั้งของสติแต่ก็มีหลายวิธีด้วยกันนอกจากที่จะนอกจากร่างกายแล้วเราสามารถใช้อย่างอื่นมาเป็นเครื่องสกัดความคิดได้เช่น ว, วิธีหนึ่งที่เรานิยมกันก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธ อเราลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาเราก็พุทโธพุทโธเลยถ้าเราอยู่กับพุทโธใจก็จะไปคิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงคนนี้คนนี้ไม่ได้ใจมันก็จะอยู่กับพุทโธอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายทําอะไรก็พุทโธควบคู่ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปทาอย่างนี้ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ ก็แสดงว่ามีสติคอยกํากับคอยหยุดความคิดได้พอเวลาจะมานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายมันจะไม่ฟุง้งซ่านนักปฏิบัติธรรมขั้นต้นเวลาเริ่มต้นใหม่ๆมักจะมีปัญหากับความฟุง้งซ่านนั่งสมาธิแล้วใจไม่สงบใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งได้ไม่ได้ไม่ถึง5นาทีก็นั่งไม่ไหวแล้วสู้กับความคิดความอยากไม่ได้ ก็เพราะว่าไม่มีสติมาก่อนนั่นเองไม่ได้ฝึกสติมาก่อนการที่จะนั่งสมาธิให้ได้ผลให้ได้นานนี้จําเป็นจะต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกถ้ารถไม่มีเบรกเหยียบเหยียบไปมันก็ไม่หยุดเหยียบเบรกเบรกมันก็ไม่หยุดมันไม่สามารถหยุดรถได้ถ้าเรารู้ว่ารถเราไม่มีเบรกเราต้องเอาเข้าอู่ฮะไม่กล้าขับไปไหนมาไหน เพราะรู้ว่าถ้าขับไปแล้วเดี๋ยวถึงสี่แยกไฟแดงถึงเวลาที่จะต้องจอดแล้วก็จะจอดไม่ได้ฉันใดใจของเราก็ต้องมีเบรกถ้าเราต้องการให้ใจเราสงบการหยุดใจนี้เพื่อเพื่อเป้าหมายหลักก็คือหยุดความอยากนี่เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่จะคอยสร้างความทุกข์ใจให้กับเราอยู่เลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากร่ำอยากรวย มันมักจะโผล่ขึ้นมาเวลาโผล่ขึ้นมาแล้วเวลาที่เราไม่สามารถทาตามความอยากได้เราก็จะทุกข์ใจเสียใจกันเราต้องสร้างเครื่องมือมาเพื่อคอยหยุดความอยากให้ได้เครื่องมือที่ง่ายที่สุดในขั้นที่หนึ่งนี้ก็คือการใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากกันถ้าเรามีสติกำลังมากเราก็จะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้มากเงั้นเราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆา อย่ามาฝึกตอนที่เรานั่งอย่างเดียวมันจะยังมันจะไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบได้นั่งไปได้สักสองามนาทีก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่สามารถกำังคับใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ไม่สามารถให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้เพราะใจมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้อยู่เรื Beyonce ่อยๆนั่นเอง เราต้องสกัดความคิดเหล่านี้ไว้ก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันถ้าเราคอยสกัดตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาไลยตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี้นั่งสมาธิใจก็จะอยู่กับคําบริกรรมพุทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเขา้าถ้าอยู่ได้อย่างต่อเ น, นื่องบางทีเพียงห้านาทีใจก็รวมเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามีสติดีๆ สติที่ไม่เผลอเลยผ้านาทีนี้ก็สามารถเอาใจเข้าสู่ความสงบได้เลยพอใจเข้าสู่ความสงบความอยากที่เคยสร้างความเครียดความรุ่มร้อนจิตใจอะไรต่างๆก็จะหายไปพอความรุ่มร้อนหายไปความหงุดหงิดรำคาญใจหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คือความความสงบความว่างความเย็นความสบายอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริง ที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาและรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นความสุสขความสงบแบบชั่วคราวแต่เราก็สามารถทํามันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆความสงบจากสตินี้ก็จะอยู่ได้สักพักหนึ่ง<ๆ>ไม่มก็ จ, จะอยู่ได้เพียงชั่วแป บ, บเดียว<ๆ>จิตสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเลยอันนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบชั่วขณะหนึ่ง แต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆให้มีมากขึ้นนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นต่อไปมันก็จะสงบได้นานขึ้นได้นานขึ้นไปเรื่อยๆจากห้านาทีเป็นสิบนาทีเป็นยี่สิบนาทีเป็นสามสิบนาทีเวลาที่อยู่ในความสงบก็มีความสุขสุขมากกว่าการไปดูหนังฟังเพลงสุขมากกว่าการไปกินไปดื่มเมื่ยต่างๆถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะเริ่ม หยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายได้หยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปกินที่นั่นกินที่นี่ไปดูไปฟังอะไรเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทาใจให้สงบได้แล้วถ้าเราสอนด้วยปัญญาว่า ความสุขต่างๆที่เราหาทางกายทางตาหูจมูกลิ้งกายนี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากอะไรอีกต่อไปใจเราก็จะละความอยากต่างๆได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะละได้เพราะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายแล้วร่างกายจะอยู่จะตายก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเพราะเราสามารถมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัติจิตตภาวนาของเราปฏิบัติสมถาภาวนาปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไรต่อไปแล้วเมื่อเรามีการปฏิบัติเราก็สามารถที่จะกำจัดความอยา ก, กต่างๆที่เป็นต้นปัญหาของความทุกข์ใจได้หมดสิ้นไปพอความอยากหมดสิ้นไปแล้วการปฏิบัติก็ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปก็ได้เข้าใจไม่มีอะไรที่จะต้องมากำจัดอีกแล้ว ตัวที่มาสร้างความทุกข์ต่างๆมันก็ถูกทําลายไปด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแนละ้วเมื่อเป็นเมื่อไม่มีปัญหาแล้วทานศีลภาวนาก็หมดหน้าที่ไปทานศีลภาวนา น, นี้เป็นเหมือนยารักษาโรคเวลาเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บหมอก็ให้ยามากินเป็นหวัดเป็นโควิดก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาเราก็กินยาไปเรื่อยๆกินจนกระทั่งโรคหายไป พอโรคหายปยาที่เหลืออยู่เราก็ไม่ต้องกินแล้วเพราะกินไม่กินมันก็ไม่มีผลแตกต่างกันเพราะว่าโรคภัยที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปหมดแล้วฉัในใดโรคที่ทําให้ใจทุกข์คือความอยากต่างๆเมื่อได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วมันก็จะหายไปหมดเมื่อมันหายไปหมดแล้วการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ยุติลงสิ้นสุดลงไม่มีความจาเป็นจะต้องปฏิบัติอีกต่อไปเพราใจหายจากความทุกข์แล้ว การปฏิบัติธรรมมันมีวันสิ้นสุดลงนะพอจิตหายทุกข์แล้วดับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปแ ล, แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรต่อไปอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนวันตายพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ตัดสั้ในวันเพ็ญเดือนหแล้วอายุสามสิบห้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่นอนในปฏะหลัดทานศีลภาวนามีแต่สั่งสอนทูดเท่านั้นเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัตินี้มาอบรมสั่งสอน ให้ผู้่นที่ยังติดอยู่ในกองทุกได้หลุดพ้นจากความทุกจึงปรากฏมีพ ร, ระอรหันต์ตสาวกขึ้นมาเป็นจนํานวนมากและพ ร, ระอรหันตสาวกหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติแล้วท่านก็เอาเวลาที่ท่านใช้ในการปฏิบัติมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปจึงปรากฏมีผู้ที่มีบรรลุธรรมมากมาย ก, ก่ายกองศาสนาก็ขยายใหญ่โตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามีการ มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรษุธรรมแล้วก็มีการเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะเรียนรู้ก็เลยทำให้มีศาสนามาอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้และศาสนาของเราจะอยู่ต่อไปได้ก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการเผยแผ่ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้นาเนินมา ถ้าตาบใดมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรบรลุมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรบรลุไม่มีการเผยแผ่ทาแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันสิ้นสุดของพระศาสนาอนี้ก็คือเรื่องลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้ผ่อนอยัตถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัิตังสุมหังคิ ป, ปะเมวะสมนิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติวะโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินสตุมาเตภวะตะวันตรายุสุขีตีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิศะนิจจังวุฒาปะจายิโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อมกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 462 YouTube พระสุชาติไลฟ์329 YouTube ดกรวี70คลับ h o u s e 6วิทยุออนไลน์11 ผู้รับฟังนากุิหนร้ากุาิบรวมหนึ่งพเจท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามฝากถามจากนากุติเจ้าค่ะ การผิดศีลข้อสามจะได้รับกรรมหนักไหมเจ้าคะโยมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการผิดศีลโดยไม่สามารถถอนตัวออกมาได้ในตอนนี้ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนวทางให้โยมสามารถถอนตัวออกจากวงวนนี้ได้โดยเร็วเจ้าคะ่ะก็ไปบวชนะไปบวชเร็วที่สุดห้อยู่วัดนะก็มันก็บาปนะ่ะก็มันเป็นแบบนิสัยของสัตว์เดรัจฉาน มันจะไม่มีประเพณีในการร่วมหลับนอนกับใครมันอยากจะนอนกับใครมันก็นอนได้ไม่เลือกคนเลือกคู่ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปเป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แบบมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องไปอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานคาถามจากยูทู e พระสุชาติไลฟ์เจ้าค่ะคุณสิริชัย ผู้รู้รู้ว่าจิตไปคิดเราจะทำจิตให้สงบอยู่กับผู้รู้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับก็ให้รู้อยู่กับจิตที่เรากำลังทำอยู่เนเรากำลังทำอะไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้รู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรารู้อยู่เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เฝ้าดูเดี๋ยวเราก็เผลอแวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น อย่งต้องผูกมันไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายตลอดเวลาหรือถ้ามันมันยังจะไปอยู่ก็ให้ท่องพุทโธไปภายในใจบริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธไปมันก็จะเดืองให้มันกลับมาให้รู้อยู่กับการกระทําของร่างกายได้คําถามทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคุณประสิทธิ์ มีเพื่อนชาวเยอรมันชื่อคุณมาเรียเมื่อวานอยู่ๆเธอรู้สึกเศร้ามากบอกว่านั่งสมาธิแล้วก็ยังไม่หายเศร้าเธออยากจะถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรครับก็นั่งให้มากขึ้นแล้วก็นั่งให้มันถูกวิธีวิธีนั่งให้ถูกวิธีก็ต้องมีสติไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องที่ทําให้เศร้ามันก็เศร้าจะให้หายเศร้าต้องมีสติหยุดความคิดที่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเศร้า พอเราไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้าความเศร้าก็จะหายไปคำถามจากคุณคริสทอปเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับขอฝากคำถามจากเพื่อนชาวต่างชาติเพื่อนชาวต่างชาติ บอกว่าตอนเด็กๆฐานะยากจนเคยขโมยเงินของพ่อเอาไปซื้อกระเป๋าและหนังสือเรียนรู้สึกผิดและบาปมาโดยตลอดพอเรียนจบมีงานทํามีเงินเก็บอยากจะเอาเงินเก็บนั้นไปให้คุณพ่อแต่คุณพ่อก็มาตายจากไตเสียก่อนทําให้ในใจมีความรู้สึกค้างคาใจกับความรู้สึกผิดนี้และรู้สึกเสียใจที่ไม่ดูแลหรือคืนเงินท่านเขาควรจะทําอย่างไรดีครับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจและการทําบุญทําสังฆทานเป็น การคืนเงินให้คุณพ่อหรือทําบุญให้คุณพ่อได้ไหมครับได้ก็เอาเงินเนี้ยไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับคุณพ่อไปเพราะถ้าตายแล้วก็ไม่สามารถรับเงินรับทองได้รับได้แต่บุญเราก็เอาเงินทองเนี้ยไปทําบุญแล้วก็เอาบุญที่เราได้จากการทําบุญอุทิศไปให้พ่ออีกทีนึ่ง คำถามฝากถามเจ้าค่ะสัตว์เลี้ยงตายไปแล้วจะมีที่ไปเหมือนมนุษย์ไหมคะก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเขานะถ้าบุญของเขาน้อยกว่ากรรมบาปยังมีมากกวอยู่เขาก็ต้องไปเป็นรับใช้กรรมต่อไปก่อนเรื่องกับบุญกับบาปมันจะมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่มีกําลังดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่มีกําลังดึงไปอบายเพราะฉะนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปปรานั้น ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะอื ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะคณะที่มาจากกรุงเทพนะครมีอะไรอยากจะถามไหมอยากเดี๋ยวส่งไมโครโฟนไปก่อนการ น, นั่งสมาธินะ่วยใกล้ๆฝาเ่ไม่ใช่ตรงนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวที่เป็นกลุ่มอ่ะ ตอนก่อนการนั่งสมาธิเนี่ยจะต้องอารัธนาสินท่าไหมครับคือการนั่งสมาธิมันก็มีสินนะแต่เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิหนึ่งก็ไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทําร้ายใครมันก็มีสินด้วยสมมติก็แสดงว่าไม่ไม่ต้องอธิษฐานสินท่าใช่ไหมถ้าตามไปฆ่าก็ก็นั่งสมาธิไม่ได้เวลาจะไปฆ่าคนจะไปนั่งสมาธิได้ยังไง มันไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับผมอ่าตอนนี้คุณนั่งเฉยๆคุณมีศีลไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ทํำบาปก็ไม่ได้ทํำบาปคุณก็มีศีลแล้วไงตอนนี้ศีลที่คือเกิดจากการปฏิญาณหรือเปล่าฮะศีลเนี่ยศีลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติการอารัธนาหรือเปล่าผมไม่ต้องอยู่อารัธนาอยู่ที่ทําหรือไม่ทำอารัธนาแล้วก็ไปขโมยของเขามันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่อาราธนาแต่เราไม่ขมโมยของของใครเราก็มีสินเงินมาแล้วเพาะนั้นไม่ได้อยู่ที่อาราธนาอยู่ที่ว่าเรารักษาสินทำารีอไม่ทำคือ ถ, ถ้าเราทำบาปต่อให้อาลธนามันก็ไม่เกิดไปอยู่แล้วคือตอนนี้ไปเราเราไม่ต้องอาราธนาสินห้าก็คือให้ปฏิบัติสมาธิได้เลยใช่ก็อาราธนาก็เป็นเพียงแต่ความตั้งเจตนาว่าไม่ทำบาปเท่นั้นเอง แต่อยู่ที่จะรักษาความตั้งใจได้หรือไ ม, ม่เดี๋ยวเกิดใครเอาของมาวางไว้เผลอเห็นหน้าเห็นแล้วอยากได้ขึ้นมา mm. ก็อาจจะหาข้ามจิตใจไม่ได้ก็ได้หรืงแม้จะลาธนาแล้วก็ตอางครับผมขอบพรคุณครับแต่เวลานั่งเฉยๆก็ถือว่ามีศีลแล้วเนี่ยตอนนี้ญาติโยมทุกคนมีศีลหมดตอนนี้ข่าสัตว์หรือเปล่าตบยุงหรือเปล่า เอาเขาเขาโของของใครหรือเปล่านีคำถามจาก YouTube พระสุชาติไลฟ์เจ้าค่ะ คำกล่าวที่ว่าทำบุญใหม่ให้มากเพื่อให้บาปเก่าเจือจางลงมีการยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือใส่น้ำเปล่าไปมากๆเกลือยังอยู่แต่ความเค็มคำเคลล็มลดลงคำกล่าวนี้ลบล้างบาปให้เจือจางได้จริงไหมครับไม่ได้หรอกเหมือนต้านมันเป็นเรื่องของพลังมากกว่ากำลังกลังบาปมันถ้ามัมนมีบาปมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงไปทางบาป เหมือนกับเรามีวัวสองตัวตัวหนึ่งดึงดึงเกวียนไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งดึงเกวียนไปข้างหลังตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางของมันถ้าเราอยากจะให้มันดึงไปแต่ทางบุญเราก็หาหาวัวมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะสองตัวไอ้วัวไอ้วัวที่จะดึงไปทางบาปมัอยู่ตัวเดียวมันก็กําลังสู้ไอ้วัวที่มีสองตัวทางบุญไม่ได้มันก็จะไปทางบุญแต่มันไม่ได้ไปฆ่าไอ้วัวที่มัน ทำที่จะดึงเราไปทางบาปบุญตัวนั้นก็ยังอยู่แต่ถ้าตอนตอนไหนถ้าบุญบของเรามันอ่อนกำลังลงหมดกำลังลงไอ้บาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็ยังเอาส่งผลให้เราไปเกิดในอบายได้นั้นเราไม่สามารถลบล้างบาปมันได้หรือ บ, บุญได้จนกว่าเราจะใช้ใช้บาปใช้บุญไปแล้วมันถึงจะหมดไปแต่ตอนนี้สมมติว่าเรามีบาปมากกว่าบุญเรายังแก้ได้ พยายามทำบุญให้มากขึ้นให้มากกว่าบาป พ, พอตายไปก็ยังไม่ต้องไปใช้บาปรอลงอาญาไว้ก่อนเพราะมีความดีไว้แต่แต่ยังมีโทษอยู่ยังไม่เท่ทษนั้นยังไม่ลบล้างอยู่ต้องรอให้บุญหมดเมื่อไหร่ไปทำบาปขึ้นมาเพิ่มเมื่อไหร่ปั๊บบาปมากกว่า บ, บุญก็ดึงแอบบายต่อไนดะ้อบายก็คือคุกตารางนี่คุกตารางของจิตใจของดวงวิญญาณ จากคุณทีคัฒนาเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามแต่จะขอโอกาสมาขอพรจากพระอาจารย์ที่ลูกจะไปบวชปรงผมสัปดาห์หน้านี้เป็นเวลาสิบสองวันขอให้ลูกได้ทำสำเร็จด้วยและลูกขอน้อมการตั้งใจปฏิบัติทำบูชานี้เป็นเป็นการปฏิบัติบูบชาแด่พระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงเจ้าค่ ะ, อะขออนุโมทานาสาธุ ขอให้ทำได้ตามรารถนาตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะถ้าไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านกันได้วันนา้ก็ไปโอกาสหน้าค่อยมาฟังเทศฟังธรรมาสนทนาธรรมกันใหม่ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ